เพื่อฟังธรรมนั้นคงสุดแต่ว่าจะมีการแสดงธรรมเมื่อไรได้มีเล่าไว้ในที่หลายแห่งว่าในชุมนุมเทพณเทวสภาสุธรรมมาในบางกล่าวพระอินทร์ทรงแสดงธรรมแก่เทพทั้งปวงในบางกล่าวพระพรหมลงมาแสดงและเทพผู้มาเข้าสันนิบาตนั้นเป็นเทพในสวรรค์สองชั้นคือชั้นดาวดึงและชั้นจาโตมหาราชิกาในเมืองไทยเราเมื่อพระจะสวด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 ท่านว่าสหบดีพรมทราบดัมริได้เข้าไปเฝ้ากราบทูลอาราธนาขอให้ทรงแสดงธรรมพระหมูสัตว์ที่สามารถจะฟังรู้ได้มีอยู่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมเป็นต้นเรื่องของบทอาราธนาธรรมที่ใช้กันในเมืองไทยว่าบรหมาจโลกาทิปติสหัมปติเป็นต้นซึ่งมีคำแปลว่าสหบดีพรมผู้เป็นอธิบดีแห่งโลกพนมหัต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 จะต้องอาราธนาก่อนพระจึงจะให้สรณคมและศีลส่วนพระปริศแสดงพระธรรมเทศนาแสดงว่าพระพุทธศาสนาไม่บังคับฝืนใจใครที่นักถือปฏิบัติใครมีศรัทธาเลื่อมใสประสงค์สรณคมและศีลก็ดีพระปริศก็ดีธรรมเทศนาก็ดีก็ต้องมาอาราธนายังไม่อาราธนาพระก็ยังไม่ให้ไม่แสดง เวลาทำพิธีก็เป็นการสะดวกเพราะการอารัธนาก็หมายความว่าเริ่มพิธีขึ้นแล้วได้เตรียมการต่างๆเสร็จพร้อมที่จะรับศีลกันได้และได้ถือเป็นประเพณีอีกว่าก่อนที่จะทำกุศลอะไรขอสารณคมและศีลกันก่อนเสมอเป็นประเพณีดีอยู่เพราะชักนําให้เข้าหาพระรัตนตรัยและศีลก่อนแต่ก็มักถือเป็นศัก์แต่ว่าทาไปเป็นพิธีเสียดยมาก คือไม่ได้คิดรับจริงถ้าอย่างนี้ก็ได้เพียงเปลือกคือพิธีเท่านั้นผู้ที่ตั้งใจรับจริงนั่นแหละจึงจะเข้าถึงสาระของพิธีได้ประโยชน์จากประเพณีที่ดีอยู่แล้วนี้เป็นอันว่าคนไทยเราได้ออกชื่อสามบดีพรมกันอยู่บ่อยๆเป็นที่รู้จักกันมาอย่างกว้างขวางคล้ายพระอินทร์ในหมู่เทวดาพระอินทร์รู้จักกันมากกว่าองค์อื่นในหมู่พรม ก็เท้าสหามบดีพรหมองนี้ทั้งได้ออกชื่อถึงมากกว่าองค์อื่นๆทั้งหมดทรงขับภิกษุสงฆ์สหามบดีพรหมยังได้มาทูลพระพุทธเจ้าขอให้ทรงอนุเคราะห์สงฆ์ดังที่มีเล่าในขันธสังยุตว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทารามใกล้กรุงกบิลพัททรงประนามภิกษุสงฆ์เพราะเหตุบางอย่างคือ เล่าไว้ในอัตถกถาว่าเมื่อเสด็จจาริกจากนครสาวัตถีถึงนงครกบิลพั์เจ้าสักยะทั้งหลายรับเสด็จและกราบทูลเชิญเสด็จไปประทับที่นิโคทารามเมื่อเสด็จถึงอารามนั้นแล้วได้เสด็จเข้าสู่ที่ประทับทรงทำปฏิสันฐานกับเจ้าศาักยะทั้งปวงที่ตามไปส่งถึงที่ประทับขณะนั้นพวกภิกษุที่ตามเสด็จพากันจัดที่พัก และรับแจกทานวัตถุต่างๆที่เขาจัดถวายเป็นเครื่องต้อนรับก็มีเสียงพูดเรียกพูดถามกันอยู่อื้ออึงพระพุทธเจ้าไม่โปรดเสียงดังอื้ออึงั ถ, า, ถามทราบเรื่องแล้วจึงทรงประนามภิกษุประนามก็คือขับออกไปตามเรื่องต่อไปกล่าวว่าได้เสด็จในที่เร้นทรงพระดำริอยู่พระองค์เดียวคาว่าประนามในที่นี้ สังเกตตามท้องเรื่องว่าน่าจะเพียงรับสั่งให้ไปบอกทานองว่าออกไปให้พ้นยาม่เออะอยู่ที่นี่เท่านั้นไม่หมายถึงว่าขับไล่เวลาเช้าเสด็จเข้าไปบินทบาทในกรุงกบิลพัทเสด็จกลับจากบินทบาทหลังจากเสวยแล้วได้เสด็จไปยังป่ามหาวันประทับ พ, พักกลางวันอยู่ที่โคนต้นมะตูมหนุ่มต้นหนึ่งเกิดพระดาริขึ้นในพระหฤทัยว่า ทรงขับภิกษุสงฆ์แต่ในภิกษุสงฆ์นี้ยังมีพวกภิกษุใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์เมื่อไม่ได้เห็นพระองค์ก็จะพึงรูนุเรกระสับกระสายเหมือนอย่างลูกโคอ่อนไม่เห็นแม่โคก็วุ่นวายกระสับกระสายหรือเหมือนอย่างพืชที่งอกขึ้นใหม่ไม่ได้น้ําก็เหี่ยวแห้งหงายเหงาจึงหน้าที่จะทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัทนี้เหมือนอย่างที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อน สหบดีพรมได้ทราบพระดรํมฤตในขณะนั้นได้มาปรากฏเบื้องหน้าพระองค์ห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชรีกราบทูลมีความว่าขอให้ทรงอนุเคราะห์สง์เหมือนอย่างที่ทรงพระดรํมฤตในตอนท้ายนั้นเถิดเพราะในสงนี้ก็ยังมีภิกษุใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์อย่างเต็มที่เหมือนอย่างลูกโคอ่อนหวังพึ่งแม่โคเหมือนพืชที่งอกขึ้นใหม่หวังพึ่งน้ำฉะนั้น จึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอภินันทภิกษุสงฆ์ทรงโอวาทอนุสสารภิกษุสงฆ์เหมือนอย่างที่ได้เคยทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนเถิดพระพุทธเจ้าทรงรับอารัธนาด้วยพระอาการทุสเดีภาพสหมบดีพรมทราบว่าพระองค์ทรงรับอารัธนาว่าจะทรงอนุเคราะห์ส่งต่อไปไม่ทรงทอดทิ้งแล้วก็ได้ถวายอภิวาททำประทักษิณคือเดินเวียนขวาพระพุทธองค์ แล้วอันตรธ า, านไปในที่นั้นเป็นอันว่าพระพรหมองค์นี้ได้มากราบทูลอรัธนาให้ทรงแสดงธรรมโปรโดโลก ห, ลหนึ่งเมื่อต้นพุทธกาลแล้วครั้งนี้ยังได้มากราบทูลอรัธนาให้ทรงโปรโดสงต่อไปอีกนับว่าโลกและสงเป็นหนี้บุญคุณของสหัม บ, บดีพรหมอยู่เป็นอันมากอีกคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆประทับสเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ควงไม้อาชปาลนิโครธ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 พึ่งอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นก็เพื่อความบริบูรณ์แห่งกองศีลสมาธิปัญญาวีมุตมีมุตมมติยาณนะทัศนะที่ยังไม่บริบูรณ์แต่ก็ไม่ทรงเห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราม์พร้อมทั้งเทพและมนุษย์ที่จะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นยิ่งกว่าพระองค์ ซึ่งพระองค์จะพึงทรงสการะเคารพพึงพาอาศัยได้จึงหน้าที่พระองค์จะพึงทรงสการะเคารพพึงพาอาศัยพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่แหละลำดับนั้นสหมดีพรมได้ทราบพระดารินี้ได้มาปรากฏกราบทูลว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มีมาแล้วในอดีตก็ดีที่จะมีในอนาคตก็ดี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 เคารพพระสัทธรรมอยู่ในการทั้งสามนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนประสงค์ความเจริญใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธทั้งหลายก็พึงเคารพพระสัทธรรมเถิดเรื่องนี้ตามเรื่องที่อ้างว่าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ควงไม้นั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าลำดับพัรษาที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องเป็นตลด จึงนำมาเล่าในหมวดเรื่องรวมของสหบดีพรมทรงเคารพธรรมพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยอาการอย่างไรมีแสดงไว้ในปัญจกนิบาตความว่าสีหะผู้เป็นราชาแห่งเนื้อออกจากที่อาศัยในเวลาเย็นบิดเยื้องปรับร่างกายแล้วมองตรวจดูทั้งสี่ทิศโดยรอบคำรามเสียงสีหะขึ้นสามครั้งออกหาอาหาร จะตะครุบข้าช้างกระบือโคเสือตลอดถึงสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้จะเป็นกระต่ายและแมวก็ตามก็ฆ่าโดยเคารพคือด้วยความรอบคอบหนักแน่นแน่นอนเหมือนกันหมดเพราะเหตุที่มีความคิดมุ่งหมายมิให้เสียแรงตะครุบเปล่าคำว่าสีหะเป็นชื่อของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้อที่พระตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นการบรรลือศีหนาะถ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตลอดถึงพวกปุถุชนโดยที่สุดแม้เป็นคนพวกแบกหามพวกพรานป่าก็ทรงแสดงธรรมโดยเคารพคือด้วยพระกรุณาแก่บุคคลเหล่านั้นทุกจําพวกเหมือนกันหมดหาได้ทรงแสดงธรรมโดยไม่เคารพไม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 ถ้าไม่ใช่สาวกของพระองค์ก็ทรงแสดงพอประมาณหรือถ้าเป็นพระราชาหรือเป็นเศรษฐีก็ทรงแสดงอย่างพระนิตปัญจงถ้าเป็นคนยากจนขัดสนก็ทรงแสดงคล้ายกับว่าอยากเสียไม่ได้พระองค์ไม่ทรงปฏิบัติเช่นนี้เลยพระองค์มีพระกรุณาแผ่ไปในบุคคลทั้งปวงเสมอกันหมดจะเป็นสาวกหรือไม่ใช่สาวกของพระองค์ก็ตามจะเป็นเศรษฐีหรือ เป็นยาจกปนิพกก็ตามจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูผู้มุ่งร้ายพระองค์ก็ตามก็ทรงตั้งพระไถยแสดงธรรมโปรดเขาทุกคนอย่างละเอียดประณีตทุกครั้งทุกคราวแต่ก็เป็นไปตามควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคนปรากฏว่ามีคนวรรณ้นนาตา่ำคนยากจนขัดสนเป็นอันมากแต่รับประโยชน์จากธรรมที่ทรงแสดงที่เข้ามาบวชปฏิบัติสําเร็จเป็นพระอริยาบุคคลจนถึงเป็น พระอระหันต์ก็มีไม่น้อยและที่ได้รับยกย่องจากพระองค์ให้เป็นเอตะะคะัคธะคือเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งก็มีหลายท่านแสดงว่าไม่ใช่ทรงเคารรทมเพียงแต่ที่ทรงแสดงทมโดยคารพทังกล่าวเท่านั้นแต่ทรงเคารบทมในทุกๆ ท, ทางเช่นทรงยกย่องบุคคลตามธรรมที่เขาปฏิบัติและบรรลุ ถ, ถึงไม่ใช่ด้วยชาติสกุลทรัพยศหรือเหตุประการอื่น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 ที่มีตรัสไว้ในธรรมบทความว่าบาปกรรมที่ผู้ใดาทาไว้แล้วแต่ละเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างได้เหมือนอย่างดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอกฉะนั้นตามพระพุทธภาษีนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสาปคนชั่วคนผิดทุกคนเมื่อสำนึกผิดแล้วละความชั่วเสียก็เป็นผู้ที่ชื่อว่าผ้นจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง ส่งชี้ทางให้คนชั่วคนผิดทุกคนได้สำนึกผิดแล้วละความชั่วผิดด้วยตนเองข้อนี้แหละชื่อว่าทรงมีพระกรุณาโปรดเหมือนอย่างทรงดำเนินนำทางเข้าไปในเบื้องหน้าแต่ทาเชไหนบรรดาคนชั่วคนผิดทั้งหลายจึงจะมองเห็นพระองค์คือมองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จนำไปในเบื้องหน้าซึ่งได้เสด็จนำทางอยู่ทุกขณะทุกสถานตลอดมาจนถึงบัด น, นี้แล้ว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 ทางได้ทรงบอกทางที่จะเข้าถึงพระองค์ไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนี้วิธีเคารพธรรมตามที่กล่าวเทียบด้วยสีห์จับสัตว์คือทรงสแสดงธรรมโดยเคารพทั่วไปทั้งหมดเป็นเนติปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติกรณียะทั้งปวงได้เช่นแพทย์ผู้ที่ชื่อว่าเคารพในจัญญาแพทย์ ยอมทำการเยียวยารักษาคนไข้ไม่เรียกว่ายากดีมีจนด้วยอาการที่ละเอียดประณีตด้วยจิตใจที่กระนาุ่งจะให้หายโรคเหมือนกันหมดแต่ถ้าคนไข้เป็นคนดีมีทรัพย์จึงตั้งใจรักษาถ้าคนไข้จนยากก็ไม่ค่อยจะตั้งใจหรือรักษาอย่างเสียไม่ได้กาชือว่าไม่เคารพในจัญญาแพทย์หรือในธรรมของแพทย์ข้าราชการ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 เรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับโลกก็มีเกี่ยวกับธรรมก็มีแสดงว่าพระพรมองค์นี้ได้มีความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยโลกอยู่มากมีภูมิธรรมสูงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งประวัติเก่าของพระพรมองค์นี้มีเล่าไว้ในอัจฉริาปาสาราสิสูตรว่าในศาสนาพระกสปปพุทธเจ้ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อสหกะได้ปฐมฌาน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 ได้มีชดินประมาณพันหนึ่งอาศัยที่ภูเขานั้นเหมือนกันในที่มีพื้นราบเป็นดินมากหัวหน้าผู้บอกมนแก่หมู่ชดินชื่อว่าอินทกุลได้พาพวกชดินไปเฝ้าพระองค์กราบทูลถามทางที่ให้เกิดความสุขพระองค์ได้ตรัสตอบมีความตามที่จับได้จากคัมภีร์นั้นว่าหิริอตตะปะให้เกิดความปฏิบัติชอบไดทิฏฐิดี ให้เกิดสัมาธิฏฐิในที่ใดมีสัตรธรรมในที่นั้นก็มีคนตั้งอยู่ในสัตรธรรมในที่ใดมีทางแห่งสัน ต, ติสุขในที่นั้นก็มีผู้เดินทางแห่งสัน ต, ติสุขในที่ใดไม่มีชาติชราปรณะโซกะปริเทวะไม่มีทุกข์ครอบงำในที่นั้นแหละมีธรรมที่ไม่มีทุกข์ทั้งปวงคือนิพพานฉะนั้นคนมีปัญญามองเห็นสุขของตน จึงทำความเคารพศรธรรมมีความเคารพตั้งใจฟังธรรมอินทกุลพร้อมด้วยผู้ชะดินฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดให้อุปสมบทเป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเมื่อภิกษุพวกปุราณชะดินมีท่านอินทกุลเป็นหัวหน้าได้บำเพ็ญความเพียรบรรลุถึงผลที่สุดแล้วพระองค์ได้ทรง ส่งไปประกาศศาสนาในทีต่ต่างๆสวดยักษ์ข้างตน้นได้เริ่มด้วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์และเทวดาในอาตานติยสูตรซึ่งมีบทนมัสการพระอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้เล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งปวงเรื่องอายุกับกันเรื่องโลกจักรวาลตลอดถึงเรื่องโลกวินาศเรื่องอบายสี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 ทั้งหมดนี้โยงเป็นแถวมาจากเรื่องแรกคือเรื่องในอาตานาตยสูตรนั้นจึงจะกลับมาถึงพระสูตรนี้อีกดูในอัตถกถาที่เขียนในลังกาและในบันทึกเรื่องเก่าๆของไทยเราเองมีเขาว่าคนพากันกลัวยักษ์ว่าเป็นตัวนาโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเกิดโรคระบาดเช่นอหิวาตกโรค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 ซึ่งเป็นบทมัสการพระอดีตพุทธเจ้าตั้งแต่พระวิปัสสีจนถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันศาสนารวมเจ็ดพระองค์เพื่อป้องกันอันตรายจากพวกยักษ์ที่ผ่านดุร้ายจึงมีเทศการนิ ม, มนต์พระสวดพระสูตรนี้เพื่อป้องกันกำจัดอันตรายจากพวกยักษ์ผีปีศาจต่างต่างคือโรคต่างๆนั่นเองในทางราชการมีสวดตลอดรุ่งในพระราชพิธี สำพัชรชินจะสิ้นเดือนสี่มียิงปืนอาตานาในขณะที่พระสวดถึงตอนนั้นทานองสวดมีเสียงเออะดุดันในบางตอนคล้ายกับจะขับไล่พวกนั้นนอกจากที่กรุงเทพทราบว่ายังมีพิธีสวดในวันตรดนั้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พระราชพิธีนี้ได้เลิกมานานแล้วปัดนี้พระที่สวดพระสวดนี้ได้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 ข้อเทียร้ายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเปลี่ยนไปเป็นมุ่งที่จะยิงปืนขู่หรือไล่คนด้วยกันเองหนักขึ้นยักษ์ที่เคยเป็นตัวโรคทางกายก็กลับเข้าสิงใจมนุษย์อย่างที่เรียกว่ามีใจเป็นยักษ์เป็นมานหมายถึงกิเลสในใจคนที่มากขึ้นอนนันเรียกว่ากิเลสสมานจะเรียกว่ากิเลสยักษ์บ้างก็คงไม่ผิดยักษ์สิงใจนี้จะแก้ได้ด้วยอะไร ก็ด้วยการปฏิบัติอบรมจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นตามหลักพระโอวาทสาบข้อว่าไม่ทำบาปทั้งหมดทํากุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตให้ฝ่องแผ้วนี้เป็นพระพุทธศาสนาโดยตรงยักใจชวนให้ทำบาปเมื่อไม่ตามใจก็ทำอะไรไม่ได้ยักใจที่ห้ามทำบุญก็เหมือนกันไม่ตามใจก็หมดอานาจยักใจที่ควรใจเอง เมื่อชำระอยู่หนึ่งเนืองก็ต้องออกไปคนในปัจจุบันอาจเห็นว่าคนโบราณงมงายยิงปืนไล่ยักษ์ที่ไหนเพราะอาจนึกไม่ได้คิดว่าความรู้ของคนเปลี่ยนไปเสมอตามการศึกษายุคไหนขึ้นถึงขั้นไหนก็ยอมจะรู้เห็นในขั้นนั้นแต่ถ้าไม่มีโบราณปัจจุบันก็มีไม่ได้ถ้าจะเปรียบเหมือนที่ภูเขาสูงขึ้น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 ไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องยักในใจคือกิเลสและเครื่องกําจัดกิเลสจึงจะเป็นพุทธศาสตร์แม้เรื่องโลกก็มีเรื่องโลกทางภูมิศาสตร์สมัยโบราณปนเข้ามามากตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นเรื่องโลกที่เป็นพุทธศาสตร์โดยตรงนั้นมีเช่นที่แสดงไว้ในสลายตนะวักความว่าเรียกว่าโลกโลกเพราะเป็นสิ่งจำรุดถ้าจะถามว่าอะไรเป็นโลก คือสิ่งที่ชำรุดก็ประมวลตอบได้ว่าอายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายมณนะอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะเรื่องวิญญาณคือความรู้ทางอายตนะ6คือความรู้สึกได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกได้ทราบ สัมผัสคือความประจวบกันเข้าแห่งอายตนะภายในภายนอกกับวิญญาณหเวทนาความรู้สวยเป็นสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะสัมผัส6เหล่านี้เป็นโลกทั้งหมดอีกแห่งหนึ่งแสดงว่าโลกหรือบัญญัติว่าโลกมีอยู่ในอายตนะภายในภายนอกทั้ง6ในวิญญาณทั้ง6ในธรรมที่พึงรู้ด้วยวิญญาณทั้ง6ทุกข หรือบัญญัติวาทุกมานหรือบัญญัติว่ามานสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ก็มีอยู่ในที่เช่นเดียวกันนี้ฉะนั้นภาวะเป็นโลกเป็นทุกข์เป็นสัตว์เป็นมานจึงรวมกันอยู่ในตนเองของทุกๆกคนดัน้มีพระพุทธภาษิตในสั่งยุตว่าเราตถาคตบัญญัติโลกเหตุเกิดโลกความดับโลกทางปฏิบัติใหถึงความดับโลก ในกเลวระคือกายหรืออัตภาพยาวาหนึ่งมีสัญญามีมณะนี่แหละพระพุทธภาษิตนี้ตรัสแก่โรหิตตัดสเทพปูมาเฝ้ากราบทูลถามว่าในที่ใดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติที่นั้นคือที่สุดแห่งโลกจะอาจเพื่อรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไป หรือหาไม่ตรัสตอบว่าที่สุดแห่งโลกนั้นไม่ว่าจะพึงรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยกันไปเทพกราบทูลรับรองว่าเมื่อครั้งตนเป็นฤาษีในครั้งก่อนมีฤทธ์เหาะเร็วมากสามารถเหาะข้ามจักรวาลโลกโลกหนึ่งสิ้นเวลาแวบเดียวเหมือนอย่างนายขมังธนูมือเยี่ยมยิงลูกธนูผ่านเงาตาลตามขวางคือ พอผ่านโลกโลกหนึ่งในขณะเวลาลูกธนูวิ่งผ่านเงาตาลตามขวางต้นหนึ่งคือเร็วที่สุดหรือเหมือนอย่างย่างเท้าครั้งเดียวจากสมุทรทิศตะวันออกถึงสมุทรทิศตะวันตกคือระยะจากขอบปกากจักรวาลตะวันออกถึงขอบปกากจักรวาลตะวันตกในบัทนี้ก็ เ, เท่ากับระยะรอบโลกไปเร็วเท่ากับย่างเท้าเดียวเกิดปรารถนาจะถึงที่สุดโลก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 เห็นได้ตามเรื่องที่เล่ามานี้ว่าเรื่องการคิดเที่ยวไปในจั ก, กรวาลคือโลกต่างๆนั้นได้มีมาแต่เด็กกำพรันแล้วและโลกต่างๆมีมากดังกล่าวว่าแสนโกวจั ก, กรวาลการจะท่องเที่ยวไปให้จบทั่วทั้งหมดแม้จะไปได้เร็วมากเหมือนฤาษีนั้นก็เหลือววิสัยตามเรื่องแสดงว่าฤาษีนั้นต้องการจะไปที่สุดโลกซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นที่ไม่เกิดแก่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 ก็ไม่อาจทราบพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองว่าที่สุดโลกซึ่งเป็นที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่พึงถึงด้วยการไปแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงที่สุดทุกขตามที่ตรัสนี้พึงเห็นว่าที่สุดโลกของพระองค์ก็คือที่สุดทุกพูงถึงที่สุดทุกข์แล้วเช่นพระองค์ก็ต้องถึงที่สุดโลกแล้วฉะนั้นคาว่าที่สุดโลกตามที่ตรัส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 ความดับของโลกคือความดับทุกข์ได้แก่ดับตัณหาเสียทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มักมีองแปรมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นกล่าวสั้นเรื่องโลกก็คือเรื่องอริยสัจนั่นเองซึ่งเป็นสัจธรรมเกี่ยวแก่ตนเองจะพึงรู้เห็นหรือถึงได้ที่ตนเองด้วยตนเอง ที่สุดโลกในพระพุทธศาสนาจึงถึงได้จริงและเมื่อถึงแล้วก็พ้นทุกข์ได้จริงเพราะโลกก็คือทุกข์สุดโลกก็คือสุดทุกข์ทั้งหมดมีอยู่ในกระเลวะระนี้ซึ่งมีความยาวประมาณวาหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเที่ยวไปหาในที่อื่นพระพุทธศาสนาที่แท้จริงย่อมแสดงเรื่องโลกไว้เช่นนี้เรื่องโลกกระทาทั้งปวงเรื่องนรกมนุษย์สวรรค์ ที่ได้เล่ามานี้ทั้งหมดก็รวมเข้าในคำว่าโลกตามพุทธธิบายคำเดียวว่ารุดจตีติโลโกโลเรียกว่าโลกเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดสลายรวมเข้าในทุกขสัตย์เมื่อเป็นโลกก็ต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะถึงที่สุดโลกจึงจะสิ้นทุกข์สวรรค์ในคำสอนของพระพุทธศาสนาจบ